สวดมนต์ที่เราสาธยายทุกเช้าทุกเย็นมันมีความหมายที่เราควรพิจารณาอยู่เสมอโดยเพราะทำวัดเช้าเนี่ยก็จะมีบทสวดที่พิเศษกว่าหรือเพิ่มเติมนะจากทำวัดเย็นก็คือการสาธยายถึงความทุกข์

ทุกที่เราได้สาธยายมาถ้าเราพิจารณาดูมันจะมีประโยชน์มากจริงๆแล้วนี่จะเรียกว่ามันเป็นแผนที่หรือว่าเป็นสูตรในการเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเราเข้าใจโรครอบตัวได้ดีทีเดียวชีวิตหรือชะตากรรมของผู้คนนะจะว่าไปแล้วมันก็วนเวียนอยู่กับ

ทุกสิบสองประการนี่แหละหรือว่าทุกสิบสองอาการความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพ่านจากสิ่งที่รักที่พอใจนะฝรั่งนะอย่างไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็น

สิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าจะเพศใดวัยใดอยู่ในสถานะใดนะจนหรือรวยโง่หรือฉลาดนะพระหรือโยมผู้หญิงผู้ชายก็แล้วนต้องเจอต้องผ่านเคยผ่านแล้วกำลังเจอและต้องประสบอีก

ไม่มีทางหนีพ้นได้เคยรู้จักพร ะ, ะรูปหนึ่งนะท่านเป็นผู้รู้ด้านสมุนไพรเชี่ยวชาญมากนะวัดท่านก็มีสมุนไพรานาน า, นานชนิดแต่ว่าโยมจำนวนมากมาหาท่านเพราะเหตุว่าท่านเนี่ยเขาเรือกันว่าท่านทำนายทายทักได้แม่นนะก็มาเพื่อมาขอคำแนะนำหรือว่า

มาขอให้ท่านช่วยปลดทุกข์ให้เพราะคิดว่าท่านเนี่ยมีความสามารถพิเศษทางจิตนั่งทางในได้ท่านบอกท่านไม่ได้นั่งทางในอะไรเลยนะท่านก็อาศัยคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะข้อความที่สวดธรรมวัดเช้าทุกเช้าทุกเช้านั่นแหละก็คือข้อความที่พึ่งอ่ะ

สรุปย่อๆมาสักครูท่านบอกคนที่มาหาท่านก็ล้วนแต่มีความทุกข์แล้วที่ท่านทายทักถูกนะก็เพราะท่านรู้แล้วก็เชื่อว่าคนหลัมก็ความทุกข์คนหลังก็หนีไม่พ้นนะที่พระเจ้าได้ตรัสนะแล้วที่เราสวดกันทุกเช้านี่แหละนะท่านคุยกับเขาสักพักเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าเขาทุกเรื่องอะไรซึ่งก็หนีไม่พ้นนะแก่เจ็บตาย

นะพัดพลาคสูญเสียประสบกาิ่งไม่เป็นที่รักไม่ได้อย่างที่ต้องการอย่างที่ปรารถนาพอท่านทายทักถูกนะอ่าเขาก็ศรัท ธ, ธาในตัวท่านนะและสิ่งที่ท่านทำนายไปมันก็เป็นการให้คําชี้แนะใหะ้ข้อเตือนใจแล้วก็ความหวังใ้เข้าเท่านั้นแหละทุกที่เราได้สาธยายมานะสิบสองอาการหรือว่า

ส2องลักษณะนี่นะมันไม่เพียงแต่ช่วยทำให้บาบัดความทุกข์ทางโลกเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังสามารถช่วยบาบัดความทุกข์ทางใจไม่ใช่ของใครนะของเราเองจะใช้ความรู้นี้เพื่อช่วยบาบัดความทุกข์ของผู้อื่นก็ได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือบาบัดความทุกข์ในใจของเรา

ถ้าเราเข้าใจนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกข์ที่เราเพิ่งสัตยายมาถ้าสรุงง่ายๆ ย, ย่อยๆก็มีแค่ความทุกข์กายกับทุกข์ในจะทุกข์กายเกิดขึ้นทันทีที่เกิดมาก็มีความแก่ความเจ็บนะหรือความไม่สบายกายแล้วที่สุดก็ความตายนะอันนี้ไม่มีใครหนีพ้น

พรนะพุทธเจ้าก็ต้องประสบนะกับความทุกข์ลักษณะนี้แต่ว่าความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปหรือตลอดไปนะเราสามารถที่จะก้านวะข้ามนะความโศกความร่ำไรลาพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจไดนะ้ถ้าเรา

เข้าใจหรือตระหนักถึงความจริงว่าไอ้ความทุกข์กายเนี่ยนะมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะความทุกข์กายมันก็เป็นความทุกข์ของรูปนะและที่เป็นฉันนั้นก็เพราะว่ากายหรือรูปเนี่ยนะมันเป็นตัวทุกข์อันนี้ก็รวมไปถึงสิ่งของที่ผู้คนรักหรือพอใจหวงแหน

ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งเมื่อพัดพรากไปก็ทําให้ทุกข์เกิดความโศกความลําไรลําพันธ์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจถามว่าทําไมถึงพัดพรากนะก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์มันคือตัวทุกข์เช่นเดียวกับรูปหรือร่างกายของเรานะทรัพย์สินเงินทอง

มันไม่เคยอยู่ยั่งยืนมันต้องเสื่อมต้องดับไปรวมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความสุขความรักความผูกพันนะซึ่งมันเป็นนามธรรมก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงและที่ไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์นะ

ตัวทุกข์ในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้ไหมายความมันมีทุกขเวทนาเพราะว่าวัตถุสิ่งของมันไม่มีความรู้สึกอยู่แล้วนะแต่ที่ว่าเขาว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามันมีความพร่องมันมีความไม่สมบูรณ์มันมีความบีบคั้นขัดแย้งอยู่ภายในควาว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ

ที่สรุป ง, ไง่ายๆว่าโดยย่ออุปาทานขันต่างห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยไอ้ตัวเนี้เป็นข้อความเป็นข้อความที่สําคัญเพราะว่าเป็นตัวที่อธิบายว่าทําไมเราถึงต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายและทําไมเราจึงต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจและพัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เพราะสิ่งที่เรารัก

ที่เราพอใจเนี่ยมาลดละแต่ตกมรุด ล, ละแต่ตัว เ, เป็นตัวทุกข์นะมันไม่ใช่แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียวที่ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นตัวทุกข์นะมันมีมันมีความขัดแย้งอยู่ภายในความขัดแยง้งบีบคั้นตึงเครียดภายในเนี่ยอธิบายง่ายๆก็อย่างเช่นรถยนต์เนี่ยนะรถยนต์เนี่ยมันมันเสียนะ

มันใช้การไม่ได้นะเรียกว่ามันเสื่อมแล้วก็มันผุพังไปจนกลายเป็นเิษเหล็กนะเพราะอะไรก็เพราะว่าชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าในยามที่ชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยปกติดีรถมันก็ใช้การได้ดีรถนะใหม่ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละ

ก็คือว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะแต่พอใช้ไปนานๆหรือบางทีใช้ได้ไม่เท่าไหร่สมมติว่ามีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งเกิดเสียไปนะรถมันก็เกิดอาการติดขัดขึ้นมาบางทีก็ถึงกับว่ารถเสียไปเลยขยับขยื่นเคลื่อนไม่ได้การที่

ชิ้นส่วนเนี่ยนะอันใดอันหนึ่งมันเสียไปเนี่ยมันทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นภายในระบบของรถยนตนะ์เขาเรียกว่ามันไม่เป็นปกติมันรวนไม่เป็นไม่เป็นระเบียบนะภาษาฝรั่งอธิบายดีมากใช่ไว่าถ้าเสียก็ใช้ว่า out of order out of order คือว่ามันไม่เป็นระเบียบแล้วมันรวนแล้วนะอันนี้แหละก็เรียกว่านะ

เกิดปัญหาเสียถ้าเป็นคนก็คือป่วยนะและถ้ามันไม่ใช่แค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เสียไปแต่ว่ามันลามไป่างชิ้นอื่นด้วยนะอันนี้เรียกว่าไอ้ที่เคยมีที่เคยเกิดมันดับแล้วนะองค์ประกอบเหตปัจจัยมัน

เริ่มจะดับกันทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละส่วนทีละส่วนคราวนี้รถก็เสียเลยนะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นนาฬิกาก็นาฬิกาตายอันนี้ก็เรียกว่าดับแล้วถ้าเป็นคนก็คือตายอาการเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเรียกมันล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเพราะสิ่งที่เป็นรู ป, ปธรรมเนี่ยนะซึ่งเห็นได้ง่ายนะ

มันมีความตึงเครียดอยู่ภายในตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบหรือชิ้นส่วนแต่ละส่วนหรืออวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันมันยังเข้ากันได้ไหมแต่มันก็เป็นของชั่วคราวร่างกายเราเกิดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเสียไปนะก็ป่วยแล้วเพราะว่าอายุหรือว่าความปกติของมันนี่มัน

ไม่เที่ยงไม่แน่นอนอันนี้พูดรวมๆคือว่าทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความตึงเครียดอยู่ภายในเพราะความเกิดดับเพะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับของเหตุปัจจัยต่างๆถ้ามันเกิดถ้าทุกทุกส่วนมันเกิดและทำงานได้ดีก็แล้วไปแต่ถ้าบางส่วนเริ่มดับไปอ่าตอนนีล้ล้วนแล้วเนี่ยคาว่าเสีย

ใช้ไม่ได้คือดักหรือว่าตัวน็อตตัวไหนหลุดไปจากเครื่องยนต์นะนะมันก็เสียก็เกิดทุกข์ขึ้นมารถใช้ไม่ได้ก็เรียกว่ารถมันเป็นทุกข์นี่เข้าใจคาว่าตัวทุกข์ให้ดีนะว่านะมันหมายความอย่างนี้ก็คือว่ามันมีความไม่สมบูรณ์มีความพร่องมีความตึงเครียดอยู่ภายใน

เพราะว่าเหตุปัจจัยที่ประกอบมันขึ้นมานั้นนะมันมันเกิดมันดับแตกต่างกันคราวนี้เนี่ยนี่เป็นธรรมดานะแล้วคือเพราะว่าทําไมร่างกายของเรานะั้นมันจึงต้องแก่นะต้องเจ็บและสุดท้ายต้องตายคราวนี้ถ้าเราเห็นว่ารู้ว่ามันเป็นธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์แต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไม่มีความ

รู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกขนะ์ก็ไปยึดมันเอาไว้ไปยึดด้วยความเข้าใจว่ามันจะเที่ยงหรือว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดครั้นมันเสื่อมไปมันเสียไปมันดับไปข่าวนี้แหละเกิดความโศกความลำลายลำพันธ์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจขึ้นมาทันที

สิ่งสำคัญอยู่ตรงที่ไปยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงนะในสิ่งที่เป็นทุกข์นะตรงนี้แหละที่คำว่าอุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะี่จริงขันทั้งห้าเนี่ยไม่ว่าจะถูกเรายึดหรือไม่มันก็ต้องมันก็ล้วนแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้น

แต่ทำไมถึงมีคำว่าอุปาทานขันหรือว่าขันซึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นก็เพราะว่าถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ไอ้คนยึดก็จะทุกไปด้วยนะความทุกข์ของสิ่งที่ถูกยึดนะมันก็ลามาสู่คนที่ไปยึดมันนะเรียกว่ามันมันถ่ายทอดนะความทุกข์ของเดิมมันทุกอยู่แล้วพอไปยึดมันเนี่ยไอ้คนไปยึดนี่ทุกเลยนะ

ของเดิมเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นความตึงเครียดแต่พอใครไปยึดมันนะไอคนยึดนี่ตึงเครียดไปด้วยนะและไอของที่ไปยึดนั่นแหละมันก็เหมือนจะกลายเป็นสิ่งบีบคั้นคนที่ไปยึดนะของที่ถูกยึดเนี่ยมันจะไปบีบคั้นกับคนที่ไปยึดสิ่งนั้นเช่เรายึดในร่างกายนี้นะ

อยากให้มันหนุ่มมันสาวไม่แก่อยากให้มีสุขภาพดนะีพอไปยึดมันเข้าว่าเป็นเราเป็นของเรานะไปยึดว่ามันเที่ยงไอ้ร่างกายนี้มันบีบคั้นใจเราแทนเลยคือพอมันเริ่มผมงอกพอเริ่มเหี่ยวนะไอ้เราซึ่งไปบีบซึ่งไปยึดถือมั่นในร่างกายนี้เราเครียดเราทุกเรานอนไม่หลับ

มันบีบคั้นเรานะเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันทุกขนะ์ตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นนะตึงเครียดนะเพราะเหตุปัจจัยองค์ประกอบเนี่ยมันแปรปรวนคราวนี้พอเราไปยึดมันเข้านะก็เหมือนกับว่ามันบีบคั้นเราให้เป็นทุกข์มีอะไรเนี่ยแล้วไปยึดสิ่งนั้นเนี่ยก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น

อันนี้ผู้จาก็ตัดไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีแล้วมีโคก็ทุกข์เพราะโคมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะก็คือถูกบีบคั้นด้วยโคถูกบีบคั้นด้วยลูกด้วยสิ่งของเพราะอะไรเพราะไปยึดอ่านะไปยึดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เพียงยึดว่ามันมันต้องเที่ยงมันต้องให้ความสุขกับเราซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง

แต่ยังไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าไงก็หมายความว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่ได้มีอยู่โดยตัวมันเองแต่มันเกิดขึ้นจากส่วนประกอบต่างๆที่เรียกว่าเหตุปัจจัยนะมาทําให้เกิดขึ้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัย

ทำให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับรถยนต์นั่นนะมันเกิดขึ้นได้เพราะมีชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันร่างกายของเราก็มีเอาแวเอาแวะต่างๆเนี่ยเล็กน้อยมาประกอบกันเป็นร่างกายซึ่งบางทีท่านก็ที่แบ่งง่ายๆว่าประกอบด้วยอาการสายุทสองหรือบางทีก็ย่อให้สั้นก็คือดินน้ำไฟลมที่เราพิจารณาอาการสายพุสองเนี่ย

เริ่มด้วยเกสาโลมานขาทานตาตาจอผมขนหนังฟันเล็บเนี่ยนะอันนี้แล้วก็คือองค์ประกอบนะซึ่งมันมารวมกันเมื่อไหร่จึงเกิดมีมีร่างกายขึ้นมาและเราก็เรียกว่าตัวเราพอไปยึดว่าร่างกายที่เป็นตัวเราเนี่ยนะอันนี้มันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะว่าเกิดความยึดละว่าเป็นเราเป็นของเรา

เกิดความยึดว่ามันเป็นตัวตนแต่ที่จริงมันไม่มีตัวตนของมันเองเลยคําว่าอนัตตาเนี่ยคือไม่ใช่ตนหมายถึงว่าไม่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตนที่เป็นของมันหรือเป็นตัวตนที่แท้มันล้วแต่เกิดขึ้นมาเพราะอิงอาศัยองค์ประกอบต่างๆมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีองค์ประกอบไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้น

ลองถอดชิ้นส่วนลดไปทีละส่วนทีละส่วนเลงถอดไปสุดในสุดก็เลยแค่ความว่างนะความว่างนี่แหละก็คือไม่มีตัวตนนะเก้าอี e ้เนี่ยถ้าเราลองถอดชิ้นส่วนไปทีละส่วนมันก็เหลือแต่ความว่างนะถอดขาออกไปนะถอดพนักออกไปนะเอาประตูเอาตะปูออกถอดกาวออกนะ

ทอดไปทีละส่วนทีละส่วนมันก็เหลือแต่ความว่างนะความว่างในที่นี้คือว่างเปล่าจากตัวตนนะแต่ที่เราเรียกเก้าอี้เพราะเรามันเป็นคําสมมุติใช้เรียกองค์ประกอบที่มารวมกันว่าเก้าอี้เหมือนกับเราเรียกชิ้นส่วนต่างๆ ท, ที่มารวมกันว่ารถเราเรียกชิ้นส่วนที่มารวมกันว่านาฬิกานะ

ชื่อเรียกต่างกันแต่ถามว่าตัวรถมีไหมตัวนาฬิกามีไหมไม่มีลองถอดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนไปมันก็เหลือกับความว่างควาว่ารถคำ ว, ว่าเก้าอี้มันเป็นเพียงแค่คํามสมมุติที่ใช้เรียกไอสิ่งรวมๆกันเนี่ยนะมันต้องมีชื่อเรียกแล้วชื่อเรียกก็แตกต่างกันไปนะจริงๆไม่ต้องดูอินไก่นะคำปั้นของเราเนี่ยนะเวลาเราเวลาเอาเราลองดูกคำปั้นของเราเนี่ย

ถามว่ากำปั้นนี่มีจริงหรือเปล่านะตัวตนกำปั้นมีไหมลองคลายนิ้วออกเลยเหลืออะไรเหลือความว่างกำปัน้นน่ยจริงๆไม่มีนะตัวตนกำปั้นไม่มีแต่ที่เราเรียกกำปั้นเนี่ยก็คือเราเรียกอาการของนิ้วที่รวงเข้าหากันเมื่อนิ้วมือรวงเข้าหากันเราก็เรียกส่วนนี้ว่ากำปั้นนะกำปั้นคือคําเรียกคําสมมุตนะิที่ใช้เรียก

นิ้วมือที่รวบเข้าหากันแต่ตัวตวนกำปั้นไม่มีจริงพอคลายนิ้วออกกำปั้นมีไหมไม่มีแล้วอันนี้เรียกว่ากำปั้นไม่มีตัวตวนนะแล้วพอไปแต่พอไปยึดว่ามีตัวมี ต, มตนเข้านี่เป็นทุกข์เลยโดี๋ยวพอไปยึดว่าเราคิดว่าของเราเราลองเราลองชิม

มาที่ตัวเราเสยว่าตรงไหนที่คือเราถ้าชี้มาถ้าชี้มาที่อกนั่นไม่ใช่เรานั่นคือหน้าอกลองหาตำแหน่งหรือตรงจุดไหนที่คิดที่เราชี้ว่าเป็นตัวเราบ้างลองชี้ไปเนี่ยไม่ว่าตรงไหนตรงไหนเนี่ยถ้ามันไม่ใช่หัวก็เป็นแขนเป็นลำตัวเป็นหูเป็นตาหาสิ่งที่เป็น

ตัวตนหรือตัวฉันไม่ได้เลยนะเพราะจุดที่ชี้นี่มันเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเป็นหัวทั้งนั้นแหละนะแต่เราเรียกว่าตัวเราเนี่ยก็คือเป็นคำเรียกเอาวัยวะต่างๆเหล่านี้รวมกันแล้วก็เรียกว่าเราแล้วไปยึดอีกว่าเป็นร่างกายของเราแต่ถ้าเป็นของเราจริงนะเราก็สั่งให้มันไม่แก่สั่งให้มันไม่เจ็บไม่ปวดท้องสั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อย

ก็ต้องสั่งได้แต่เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้สวยยังสั่งไม่ได้เลยสั่งให้ไม่มีสิวนะสั่งให้ผมไม่งอกก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเรียกว่ามันเป็นของเราได้อย่างไรสิ่งของก็เหมือนกันสั่งให้มันไม่เสือไม่ดับก็ไม่ได้อันนี้คือความจริงที่ในเป็นเพราะเราไม่เห็นความจริงตรงนี้แหละนะมันก็เลยไปยึดว่า

รูปก็ดีร่างกายนี้ก็ดีรวมทั้งคนรักคนที่เราเกี่ยวข้องก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีนะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไปยึดอยากให้มันเที่ยงไปยึดอยากให้มันเป็นสุขนะและ้วไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวตนแต่ถ้าเริ่มต้นจากการที่เราเห็นชัดนะว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะก็คือ

ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปเราเลือกสิ่งที่มันเสื่อมมันดับไปว่าไม่เที่ยงและที่มันเสื่อมมันดับไปเพราะมันไม่มีตัวตนของมันเองมันต้องพึ่งพึ่งพิงอาศัยปัจจัยอื่นและปัจจัยอื่นมันก็ดันไม่เที่ยงเหมือนกันและเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเราก็จะคลายปัญญาเกิดเราก็จะไม่ยึดมัน

เมื่อไม่ยึดมั น, มนเสื่อมไปมันดับไปเราก็ไม่ทุกขนะ์ที่จริงแล้วมมนก็ทั้งคาว่าเราเนี่ยมันก็ไม่มีนะเพราะว่าหรือถึงมีก็มีโดยสมมุตนะิแต่ที่มันมีเรามีเรามีเราอยู่ตลอดเวลาก็ยังมีความสาคัญมั่นหมายว่ามีกูอยู่เมื่อได้สาคัญเมือ่อใดเห็นว่ามันไม่มีกูความจริงมันมีแต่รูป ก, กับนามมีแต่กายกับใจ

ไอ้ความยึดมั่นในตัวกูก็ก็จะลดลงแล้วเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราก็จะไม่มีถ้าถามว่าเราจะเห็นความจริงเหล่านี้ได้อย่างไรมันไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาแต่มันเกิดจากการที่เราพิจารณาหรือการที่เราเห็นความจริงทั้งที่ปรากฏอยู่รอบตัวแล้วก็ที่สาคัญคือ

ที่เกิดขึ้นนะกับกายและใจการเจริญสติเนี่ยมันก็คือการที่เอาสติเนี่ยมาใช้ดูกายและใจนะเมื่อเราเอาสติมาดูมามองตนนะเมื่อเราสติเนี่ยมามองตนเนี่ยในสุดเราก็จะเห็นว่าที่จริงมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจ

อันนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเลยนะจะเห็นจะเข้าใจเรื่องอนัตตานะจะเข้าใจว่ามันไม่มีเราเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่เรานะใช้สตินี่แหละนะมาดูสิ่งที่เรียกว่าเราแล้วเมื่อมาดูเนี่ยมันก็จะพบว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจมีแต่รูป ก, กับนามเมื่อเรามีสติ

ในการยกมือในการเดินเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปที่ยกมันเป็นกายที่เดินมันไม่ใช่เรายกมันไม่ใช่เราเดินเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นนะมันก็จะก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นในใจความโกรธเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโกรธแต่ว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจ

หรือเกิดขึ้นกับนามเมื่อปวดเมื่อเมื่อยนะนะมันไม่ใช่เราปวดมันไม่ใช่เราเมื่อยนะแต่ว่ามันมีความปวดเกิดขึ้นนะกับกายของเรามันจะเห็นความจริงแยกออกมาเป็นส่วนๆนะที่เขาเรียกว่าว่าแยกรูปแยกนามเนี่ยคือนนี่แหละแต่ก่อนมันเห็นรวมๆ ม, มันเห็นคลุมๆไปว่าเราเราเรา

อันนี้เพราะไม่มีสติแต่พอเรามีสตินะสะติในที่นี่คือสัมมาสตินะหรือสติปัฏฐานเนี่ยไอ้ตัวเรามันจะหายไปนะมันจะเห็นแต่ความจริงพื้นฐานคือรูปกับนามกายกับใจนะและตรงนี้แหละหนะ้าที่มันเป็นขั้นแรกในการที่จะเข้าใจเรื่องอนัตตานะเราจะเห็นว่ารูปก็ไม่ใช่เรานะ

นามก็ไม่ใช่เราความคิดความโกรธก็ไม่ใช่เรานัสติปฐานสี่เนี่ยนะที่อธิบายง่ายๆว่าเห็นกายในกายเห็นพิจารณากายในกายพิจารเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยความหมายนึคือว่าเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เรา

เห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราเห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีสตินะกายก็คือเราความปวดก็คือเราเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บเนี่ยเราทั้งนั้นแต่ถ้ามีสติใช้สติปาญหาเมื่อไหร่มันก็จะเห็นแล้วอ๋อมันไม่ใช่เราเจ็บเราปวดเห็นว่าเวทนาก็เป็นเวทนา

และตรงนี้แหละนะสติปัฏฐานเนี่ยช่วยทําให้เราได้เห็นนะว่าไอ้ที่ความสําคัญมีความมีความสําคัญหมายว่าเราเราเเนี่ยมันไม่ใช่มันมีแต่รูปกับนามกายกับใจและใจมันก็แยกออกมาเนี่ยเวทนาก็อันหนึ่งนะความคิดอารมณ์ก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรานะสั่งไม่ได้อันนี้แหละที่ไม่ทําให้เราได้เห็นความจริงและปัญญาก็จะเกิด

เมื่อบัญญาเกิดนะมันก็จะวางมันไม่ยึดละไอ้ที่เคยยึดว่าเป็นของเราเนี่ยมันไม่ยึดพอรู้แล้วมันไม่ใช่เรารวมทั้งกายนี้นจิตนี้แล้วที่ยึดว่าไปยึดสิ่งต่างว่ามันเที่ยงมันมันเป็นสุขก็จะไม่ยึดนะพอรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทุกทั้งนั้นเลยอุปทานขันทั้งห้าหรือไม่ต้องอุปทานอะขันเฉยๆอะขันทั้งห้าก็เป็นตัวทุกข์นะยึดไม่ได้

จิตมันก็วางสลัดคืนสู่ธรรมชาติไปสลัดคืนแต่ก่อนสัแต่ก่อนมันยึดเป็นของเราเป็นของเราแต่ต น, นี้สลัดแล้วสลัดคืนให้เป็นของธรรมชาติจิตก็ปลอดโปร่งใจก็พ้นทุก์อันนี้แหละก็เริ่มต้นจากการที่เห็นเห็นความจริงขั้นพื้นฐานคือเห็นทุกนะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกนะไม่มีอะไรที่จะน่ายึดถือได้เลย

พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เห็นนะว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกข์โดยเฉพาะสังขารร่างกายเป็นตัวทุกข์และทุกข์นี่มาแสดงได้ชัดมากตอนเจ็บตอนป่วยตอนตอนที่พัดพรากสูญเสียนี่แหละเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมของหลายท่านเนี่ยของพระอรหันต์เนี่ยท่านบรรลุธรรมเมื่อเจ็บป่วยเมื่อพัดพรากสูญเสียในความเจ็บป่วยความพัดพรากสูญเสียมันก็จะว่าไปก็เป็น

เป็นของดีนะที่สามารถจะเปิดตาเราให้เห็นสัจธรรมความจริงได้ไม่ใช่สิ่งที่พึงหนีพึงถอยพึงรังเกียจพึงหันหลังนะแต่เป็นสิ่งที่พึงพิจารณานะอริยสัจสี่ข้อแรกเนี่ยทุกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรูนะี่พรุทธเจ้าตรัสไว้กําหนดรูคือการใช้ปัญญาตั้งใช้กับปฎิญญาคือปัญญาเนี่ยแหละเมื่อมีทุกข์ก็ต้องพยายามพิจารณาให้เห็นหลวงพ่อเขียนตั้งเขียนว่าเห็นทุกข์จึงพ้นทุกข์

เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะความหมายคืออันนี้แหละเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์จิตมันก็ไม่ยึดถืออะไรอีกต่อไปแล้วนั่นแหละก็คืออิสรภาพ ค, คือพ้นทุกข์นั่นแหละอะชาตินี้ก็เพิ่งกทนี้นะกราบฮะ